ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายหัว ข, ข้อในการบรรยายเรื่องพระสูตรวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงพระสูตรในมัชฌิมานิกาอีกสูตรหนึ่งซึ่งพระภูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อเสด็จประทับที่พระเชตวันกรุงสาวัตถี โดยชื่อว่าเจโตขีละสูตรแปลว่าประสูตรที่ว่าด้วยตะปูตรึงจิตของคนเอาไว้โดยได้รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นใจความว่าถ้าบุคคลยังมีตะปูตรึงใจ5ประการยังมีเครื่องผูกพันใจอีก5ประการแล้ว โอกาสที่บุคคลจะเกิดความศรัทธาเริ่มใสความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อขจัดป่าปกุกศลทุจริตต่างๆจนถึงบรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นไปไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องตะปูตรึงจิตห้าข้อ ้อแรกก็คือความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้ในเรื่องของาศาสดาหแห่งตนซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือว่าสถานในพระพุทธเจ้าโดยส่วนที่เป็นพระประวัติของพระองค์โดยส่วนของความเพียรพยายามแห่งพระองค์ ส่วนของการศึสรู้แห่งพระองค์ตลดอดจงการกระทำงานในด้านต่างๆของพระองค์ถ้าบุคคลยังมีความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องเหล่านั้นอยู่ก็จะก่อให้เกิดความลังเลไม่อาจที่จะปลูกฝังฉันทะหรือความพอใจวิริยะความเพียรพยายามอุตสาหะในการประพฤติปฏิบัติตาม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือแม้แต่ว่าจะให้เกิดเป็นศรัทธาที่มั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าได้ปัญหาข้อนี้เป็นปนัญหาที่น่าหนักใจในวงการพุทธศาสนาชนของเราเป็นนั้นมากในขณะที่ท่านทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้า แต่จะมีปัญหาบางอย่างที่ข้องใจคือปรงใจลงไปไม่ได้ว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงทั้งนี้แสดงให้เห็นจากการไปในที่ต่างๆเมื่อมีปัญหาที่ปรารบพระพุทธเจ้าแล้วก็มักจะหาเรื่องสงสัยแม้ในด้านของพระประวัติด้านความมีอยู่ของพระพุทธเจ้า บางคนก็เลยเถิดหายไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นในเพียงบุคคลในจินตนาการแต่นั้นเดียประจัยิีดก็เป็นเรื่องของกลุ่มนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งช่วยกันขีดเขียนขึ้นนี่ก็หมายความว่าเมื่อจิตใจของตนเป็นเช่นนี้ก็ก่อให้เกิดการชะงักกานในการประพฤติปฏิบัติคือเดินหน้าไม่ได้เลยเพราะไม่เชื่อที่ฐานใหญ่คือพระพุทธเจ้าไปแล้ว อีกสองประสามประการต่อมานั้นที่จริงมันก็เชื่อมโยงกับความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในข้อแรกคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในพระธรรมในแก่คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นคาสั่งและส่วนที่เป็นคำสอนคำสั่งเรากราโดยสรุปก็คือเรื่องของศีลที่มีทั้งข้อ อนุญาตให้ทมและข้อห้ามไม่ให้ทำคาสอนก็คือธรรมะที่ทรงสแสดงกฎความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาอันเป็นผลทีเ่เกิดขึ้นจากการสัสรู ข, ของพระองค์แตาหากว่าคนยังมีความเครือบแครงสงสัยในธรรมะเช่นข้อที่ทรงสแสดงว่าชั่วแล้วก็สงสัยว่าชั่วจริงเลย ส่งแสดงว่า ด, ดีเราก็สงสัยว่า ด, ดีจริงหรือเป็นต้นก็จะทำให้หยุดในการจับประพฤติปฏิบัติเพื่อละชั่วประพฤติดีประไรพระฉันทะในการจะละก็ไม่เกิดในการที่จับประพฤติปฏิบัติความดีก็ไม่เกิดนันก็เดินหน้าไม่ได้ขอ้อนี้ท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาถึงสูตรในอิทธิบาทคือทางแห่งความสาเร็จ4ี่ประการ ที่ทรงเริ่มด้วยฉันทะคือความพอใจพราะถ้าพอใจแล้วก็มีความมีความเพียรมีความเพียรก็จะเอาใจใส่เอาใจใส่ก็จะใช้ปัญญามันจะเดินอยู่อย่างนี้แต่ถ้าที่ความพอใจไม่เกิดหรือศรัทธาไม่เกิดมันก็เดินหน้าไม่ได้ไม่ว่าจะในชั้นของการศึกษาหรือการประพฤติปฏิบัติก็ตามเอาต่อไปก็คือเรื่องความเครียดแรลงสงสัยในพระสงฆ์ ในคุณของพระสงค์ในความดีของพระสงค์สรงนี้ยิ่งเป็นปัญหาหนักที่สุดเลยในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่าเราความเป็นคนกับความเป็นพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ทาให้มองพระสงฆ์บางทีก็ไม่ใช่มนุษย์ไปเลยก็เรียกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บกันเลย พอบวชขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วสละด้วยประการทั้งปวงแล้วเพราะงั้นพอพระทำอะไรที่ผิดจากติตนคิดว่าคิดเอาไว้ก็จะเกิดการเหมาหลขึ้นเกลคิดว่าพระทั้งหลายก็ไม่ดีไปอย่างนั้นมีการตําหนิติเตียนมีการด่าพระในรูปของการเหมาหลกันแต่ถ้าหากว่าเราแยกให้ออกคือเข้าใจว่าพระสงฆ์ที่เราสวดกัน ประสติปติปโนภควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแะบทต่อไปที่เราส ว, วาดพระเีดังเว่า น, นี้คือใคร จตาฤปุริสุกาณิคู่แห่งบุรุษสี่อัถะปุริสปุกลาบุรุษบุคคล8เอสาปรากฏตัสาวกสังโูนี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในความหมายที่สมบูรณ์คือปฏิบัติดีสมบูรณ์ปฏิบัติตรง n สมบูรณ์ปฏิบัติธรรมสมบูรณ์ปฏิบัติสมควรสมบูร ณ, รณ์นั่นจะต้องอยู่ระดับพระอริยบุคคลเท่านั้นส่วนพระสงฆ์ที่เป็นปุตุชนหรือเป็นสมมติสงฆ์นั้น เป็นพวกกำลังเดินทางไปสู่ความสมบูรณ์จา่นั้นเองแต่บางทีเพื่อนพอยังไม่ทันเดินหรือยังขยับจะเดินแต่นั้นเองแล้วก็ไปขีดเส้นไปกำหนดขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเรื่องของความสับสนที่ก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจแต่บางครั้งบางคราวมันก็ออกมาจากการกระทำของบุคคลซึงจะบวชมาหรือไม่บวชมาก็ไม่รู้ เวลานี้ ม, ม, มีมีเรื่องที่รู้กันมากเลยคือมีกลุ่มคนที่ปลอมบวชไปหลอกในที่ต่างๆแม้พระสงฆ์องค์เจ้าเองก็โดนกันไปคือแสบาหาผลประโยชน์ขอร้องช่วยเหลือกันคือบางทีเราก็ไปเอาคนคนเดียวแต่นั้นเองแล้วกาหนดว่าพระก็เป็นอย่างนี้นี้ก็ในในที่สุดก็เกิดความเคลือบแขลงสงสัยก็เดินไม่ได้ ประการต่อไปก็คือเรื่องของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแท้ที่จริงก็คือเรื่องของพระธรรมแต่เป็นการแยกออกมาอีกทีหนึ่งว่าคือขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติที่จะต้องอาศัยฐานทั้งสามคือความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นหลักใหญ่เพรา ะ, ะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม พระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงค์คือหมู่ชนที่ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามอะไรก็ปฏิบัติตามหลักของใจสิกขาคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาการสงสัยในใจสิ่ขานั้นคือสงสัยในตัวของใจสิ่ขาแต่และตัวว่าศีลนี้ดีจริงหรือสมาธิดีจริงหรือสมาธิปัญญาดีจริงหรือและการรักษาศีลนี้จะอำนวยประโยชน์ความสุขให้จริงหรือเป็นต้น การรักษาศีลการเจริญสมาธิการสร้างปัญญาแล้วผลดีที่จะได้จากการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่ทรงแสดงเอาไว้ในชั้นนั้นๆนั้ น, น, นมีจริงหรือเป็นต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความคิดเหล่านี้แล้ก็เกพีย น, เ พ, ยนเพียนเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราอยู่เป็นนันมากจนว่าถ้ามูว ร, รักษาศีลอยู่มันก็เสียโอกาสจนถึงก็มีทุพศาสิตร์เกิดขึ้นว่า ถ้าไม่โกงไม่รวยจะรวยต้องโกงเราก็จะแพร่หลายในหมู่คนบางจังพวกที่ดําเนินธุรกิจในทางที่ไม่ค่อยจะสุดจิตเรียบร้อยเนี่ยทีนี้ความคิดเหล่านี้ถ้าปลูกฝังกันบ่อยๆเข้าในที่สุดมันก็มองเห็นศีลมองเห็นสมาธิมองเห็นปัญญาเป็นตัวอุปสรรคในการสแสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสาหรับตัวเอง หรือบางทีก็เห็นคนจึงมีศีลมีธรรมก็ไม่ค่อยจะร่ำรวยบั่งขั่งหรูหราอย่างที่ตนคิดว่าควรจะเป็นแล้วในที่สุดก็มองเห็นว่าการที่คนนั้นเป็นเช่นนั้นก็เพราะศีลธรรมนั้นเป็นอุปสรรคกัดขวางเขาไปและจนถึงก็มีความเชื่อถือที่แพร่หลายกันในครั้งหนึ่งคือตั้งแต่ปศ 2,500 เป็นต้นมาระยะตั้ง 5-6-7 ปีนะฮะปัจจุบันก็ยังมีอยู่พอสมควรนะก่อนที่จะตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นนะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเมืองไทยที่กลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาปัจจุบันก็พูดให้เกียรติว่าประเทศกำลังพัฒนาในด้านวัตถุนะว่าเพราะว่าเมืองไทยนั้นนับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนให้คนสันโดษแต่สันโดษเนี่ยทำให้เกิดเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแต่ก็มีการเผยแพร่มีการแสดงการจนถึงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองรานาพระสงฆ์ขออยาสอนเรื่องสันโดษแก่ประชาชนเลยก็มีกิจกรรมขอรับชั่นกันสนุกสนานกันไปไหนอะไรเพราะว่าเราไม่เชื่อในตัวใจสิกขาในตัวธรรมะนั่เนเอง ว่าการปฏิบัติตามหลักของสันโดษซึ่งว่าที่จริงก็คือหลักของสมาชีวะนะสันโดษเป็นหลักของสมาชีวะให้บุคคลยินดีในกำลังคนกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังเงินของตนคือจะเอาเท่าไรก็ได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบข่ายของตัวเองไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นยินดีในสุดในสิ่งที่ตนได้มาตามสติกำลังเป็นต้นของตน ในการใช้สอยซื้อหาก็ยินดีตามเหมาะตามควรแก่ฐานะแก่ความจาเป็นที่บังเกิดขึ้นที่จริงมันก็คือหลักการดำรงชีวิตที่สามารถสร้างฐานะของตัวเองสร้างฐานะของครอบครัวแล้วก็เกื้อกูลแก่ครอบครัวได้โดยไม่ล้ำเส้นของศีลธรรมและกฎหมายออกไปแต่เราก็เกิดความไม่มั่นใจสงสัยในธรรมะเหล่านั้น ในใจสิกาก็ทำให้เกิดความสับสนในด้านความคิดขึ้นมาจนบางครั้งบางคราวก็ออกมาในรูปเผยแพร่ชี้แจงแสดงแก่ประชาชนจนถึงชักชวนประชาชนประการต่อไปก็คือเรื่องของจิตใจที่เป็นแผลใจมีแผลคุยเรื่องเป็นคนที่โกรธง่ายกระทบอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธ โกรธแล้วก็มีความอาฆาตมีความพยาบาทก็เรื่อยกันไปนะกระบวนการของความคิดในแนวนี้ท่านจะเห็นว่าจิตใจมีลักษณะเหมือนกับแผลคือทบอะไรนิดก็เจ็บปวดอย่างรุนแรงรู้สึกโต้ตอบอย่างรุนแรงออกมาความโกรธนั้นมีโทษทั้งแก่จิตใจมีโทษทั้งแก่ผิวพรรณเป็นการตัดรอนอายุ ข, ของบุคคล ที่สงอุปมาว่ามันเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของคนแล้วจะสร้างทุกขเวทนาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นจะแน่นอนเหลือเกินว่าความโกรธที่บังเกิดขึ้นโอกาสที่จะทำมะรำมะสติสมัมมชัญญดอะไรอะไรจะเกิดขึน้นก็เกิดไม่ได้เพราะกิเลสสายความโกรธนั้นก็คือกิเลสที่เปลียบเหมือนความมืดธรรมะก็เหมือนกับแสงสว่าง ซึ่งอยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันไม่ได้จิตใจที่มากไปด้วยความโกรธบางทีก็เป็นความอาฆาตพยาบาทซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆที่ออกมาเป็นพยาบาทพระท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินชื่อประสุภัท t h อุทภาพบพิชิตที่ไปกล่าวจ่วงจาาตอนพระพุทธเจ้านิพานไปได้เจ็ดวันพระร้องผมร้องไห้เสียใจกันพระที่เป็นกุตุชนพระที่เป็นอริยบุคคลก็มีธรรมสังเวช ท่านก็เข้าไปหาพระปุถูชนว่าเฮ้ยคุณร้องไห้ทำไมสบายจะตายได้ดเนี่ยคุจะตายจะได้ก็ดีตอนโรงอยู่โดยสั่งเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรเราทําตามพระองค์อยู่ลําบากอันนี้สบายแล้วจะทําอะไรก็ทําได้ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําได้อันนี้ถ้าหากว่าเราไปศึกษาถึงภูมิหลังว่าทําไมท่านจึงพูดออกมาได้อย่างนั้นทั้งๆที่เป็นผู้ใหญ่นะอายุอานามก็มากแล้ว มันเรื่องมานิดเดียวคือท่านท่านโกรธพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นอาฆาตพยาบาทในเรื่องนานมาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปในเมืองที่ท่านอยู่แต่ท่านก็ไปาหาลูกชายซึ่งเป็นช่างตัดผมก็ให้เที่ยวไปเรียร์ไร่เข้าของชาวบ้านมาปรุงอาหารต้อนรับพระพุทธเจ้า แล้วท่านก็ไอุคมไอจีวรไม่ย้อมไม่ดำปึด๊ดเลยคือมันสีดำจนเกือบเป็นสีชาวบ้านไปล้วก็เป็นเจ้จากิจการเองในจุ้นจ้านอยู่นอกวัดะเป็นเจ้จากิจการมันก็ดูเข้าทีหรอกถ้าเป็นชาวบ้านแต่พระออกไปจุ้นจ้านอย่างนั้นมันก็ไม่ไดีเด็กอย่างหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะไปชวนชาวบ้านไปทําอย่างนั้นนพระเจ้าก็รับสั่งตําหนิเอา ท่านโกรธมากเลยแม้เราลงทนุนลงแรงต้อนรับจะดีนึกจะได้หน้าหน่อยเสียหน้าว่ดเแ้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็พยายาบาดแต่จะไปแสดงอะไรเวลาพระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่ก็ไม่กล้าก็เลยวอนนี้ผ่านเลยก็ได้ทีเลยก็กลายเป็นเหตุใหญ่ที่ต้องทำสังขายนากันทีเดียว นี่เกิดมาจากอะไรใจของท่านพยาบาดแล้วก็ไอ้ใจเนี้ยจากช่วงที่ท่านโกรธพระพุทธเจ้ามาจนถึงพระพุทธเจ้าไปนิพพานเนี่ยแต่ที่ท่านจะได้อะไรขึ้นมามั่งมันมีแต่ความพยาบาดมีแต่มนทินใจมีแต่สนิมใจผ่านการเวลามาด้วยความเร่าร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาดคิดจะโต้ตอบคิดจะแก้แค้นคือเอาไปได้ขนาดนี้ปั้นใจในลักษณะนี้จึงเป็นใจที่เป็นอุปสรรคขัด ขวางต่อความพอใจความเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะของบุคคลนั้นๆหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการจองเวรจองกรรมระหว่างพระเทวทัตน์กับพระพุทธเจ้าถ้าเราดูในต้นชาดกจริงๆก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่น่าเป็นไปได้ฮนะแต่คนใจมันเปราะบางแล้วกเกิดขึ้นได้ เรื่องนี้อยู่ในชาดกเล่เรื่องที่หนึ่งไงเสรุปว่าในชาติเด่งเนี่ยพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยได้เกิดเป็นพ่อค้า เ, เร่ร่นนะพ่อค้าขายของเร่เหมือนกันเห็นเครื่องเล่นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งที่ราคาไม่มากนะและ ว, วันหนึ่งก็เดินทางไปในเมืองเดียวกันแต่ว่าพ่อค้าที่มาเกิดเป็นเทวทัตนั้นเดินไปก่อน ไปเพิ่บในตระกูลเศรษฐีสกุลหนึ่งเป็นผู้ดีตกยากไอ้หลานสาวก็เกิดอยากได้ลูกปัดขึ้นมาอยู่กันสองคนหลานกับยายยายก็ไม่มีจะตงางค์จะให้แต่เมื่อหลานอยากได้ก็นึกออกว่ามีถาดก็เก่าอยู่ถาดเลยเอามาขอแลกกับลูกปัดไอ้พ่อค้านี่เอาเล็บไปขีดดูก็เห็นเป็นทองเป็นถาดทองเกิดโลคอ่ะเกิดโลคมาบอกว่อ้ถาดของยายนี่ มันแรกลูกปัดท่านไม่ได้ลูกปัดท่านราคาแพงยายอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอมจนหลานสาวร้องไห้อันนี้ก็ไม่ยอมคือจะทําวางผ่าหน่อยแล้วจะเอาลูกปัดอนนเล็กๆน้อยๆมาแลกกระถดัดมันโลภจัดเกินไป ท, ทําทีหลบไประยะหนึ่งพอดีคนที่มาเกิดเป็นผู้เจ้าก็มาถึงยายก็เอามาเหมือนเดิมคนนี้เอาเล็บขีดดูบอกพอเห็นเป็นทองบอกโอ้ยไม่ไหวรอกยายของผมนี่เอามาแลกกับของยายไม่พอทั้งกวียนย่างไม่ ไม่ได้แล้วนี่มันเป็นทองอ่ะอยายก็เห็นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของพ่อค้าคนที่สองก็ก็บอกว่าเอาเธอจะให้อะไรกับเลยแกก็ให้ทองเนี่ยเพื่อแรกกับลูกปัดนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็เพื่อบูชาความดีนั่นอย่างหนึ่งพ่อค้าคนนี้ก็ให้ของหมดทั้งเกวียนนอกจากค่าผานะกลับไอ้เสร็จแล้วตัวเองก็ข้ามฝากไปไอ้คนน้องก็มามาบอกเอานะยายสงสารเด็กะะกันจะแลกแลกให้ลูกปัดกับลูก ยายก็เลยล่าความจริงแล้วก็ตําหนิเอาเขก็โกรธแทนที่จะโกรธจะเพิ่งโกรธก็ลามปามครับลาปามก็กลายไปโกรธพระโพธิสัตว์ตามไปเพื่อจะแย่งถาดแต่พระโพธิสัตว์ข้าแม่น้ำมันจะนะเขก็ตะโกนให้กลับมาคนน้องก็ไม่กลับกับเขาแค้นมากเลยรู้จะทํำยังไงก็กรรมทายต้องอยู่ตรงนั้นกรรมมาแล้วการทิฏฐานขอจองล้างจองพรานท่าเมล็ดทายทุกชาติทุกชาติ ขอจ้องร่างจองผลานธรรมอะเลสายติกรรมขึ้นมานี่ก็คือเรื่องอะไรเรื่องโกรธนี่เดียวเองแล้วก็ลามปามออกมาจนตัวเองสร้างบาปสร้างกรรมอย่าลืมว่าในภพชาตินั้นถ้าหากว่าไม่ไปเริ่มจุดไฟพ ย, พยาบาทขึ้นพระเทวทัตท่านก็มีโอกาสที่จะมรรลุกมรรคผลเป็นพระหันไปได้แล้วแต่ท่านก็ปล่อยให้ไฟของความโกรธไฟของพยาบาทแผดเผาแล้วกลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง นี่ก็เลยกลายเป็นทรงอุปมาเหมือนตะปูที่มันตอกตรึงเอาไว้เหมือนตะปูที่ตรึงใจคนเอาไว้ก็เหมือนกับของที่ถูกตอกไว้ที่ตะปูมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ติดอยู่ที่นั่นเปื่อหน้าผูกพังไปตามการตามเวลาจิตใจของบุคคลก็เหมือนกันถ้ายังมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในตรายจิขาแล้วก็เปราะบางไว้ต่อความโกรธ ปุมอารมณ์เก็บอารมณ์โกอากาศพยาบาททำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เป็นต้นในสุดมันก็หยุดแค่นั้นถึงแม้ว่าจะบวชเรียนมานานยังไรก็ตามหรือว่าผ่านการเวลามาอย่างไรก็ตามสนิมใจตัวนี้เป็นสนิมหลักนังดังนั้นท่านท่านจะมองมองเห็นในจุดอื่นได้นะฮะเช่นตัวพวกวิจิกิจชาเองตัววิจิกิจชาที่ที่ที่เป็นนิวรณ์มันก็เริ่มที่ตรงนี้เหมือนกันนะ เริมที่สงสัยในพระเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสยัยในพระสงฆ์สงสัยในใจสิขาเหมือนกันแต่ไม่พูดเรื่องความโกรธเพราะความโกรธไปอยู่นิวรณ์ตัวพยาบาทตกลงว่าตรงนี้คือตะปูที่ตรึงใจห้าอและต่อไปก็เป็นเครื่องผูกพันใจอีกห้าอเครื่องผูกผูกพันใจที่จริงมันก็มีลักษณะที่ประนีดขึ้นนะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แลข้อที่แรกก็มีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินยินดีพอใจอยู่ในกายนะฮะอยู่ในกามก่อนอยู่ในกามก็คือวัตถุกามคำว่ากามนั้นได้แก่วัตถุที่ใจคนไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมันมนก็ซึ่งไม่อื่นไปห้านะฮะหรือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายที่เราเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณ เมื่อใจไปกำหนัดความพอใจในวัตถุกรรมเช่นนี้มันก็สายไปในอารมณ์ต่างๆก็อย่างที่เห็นฮะคือความอยากของคนไม่เคยหลุดรอดไปจากห้าอย่างนี้สักอย่างไม่ว่าใครจะอยากอะไรก็ตามก็อยากในเรื่องห้าอย่างนี้แต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดสามารถที่จะห้ามจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกล เที่ยวไปดงเดียวมีถ้าเป็นที่อยู่ได้นะฮะผู้นั้นจะหลุด พ, พ้นจากบ่วงของมารได้เพราะในคำว่าบ่วงมารที่ที่ทรงชใช้ในในพาษิตนี้มันคือบ่วงนี้คือบ่วงที่ว่าเนี่ยบ่วงกาเมขุนในแ ก, นรกรนรร่รูปเสียงกลิ่นรสที่เรารูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์ที่เรากําหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเวลาท่านพูดถึงบ่วงท่านพูดถึงบ่วงข้านะฮะ เวลาพูดถึงอารมณ์ก็พูดถึงอารมณ์6กเ อ, อ่อทำไมเราจึงไม่เอาธรรมอารมณ์เข้ามาเพราะแท้จริงธรรมอารมณ์มันก็คือคือสิ่งที่ผ่านมาตาั้งต่หูจมูกลิ้นกายมันเก็บไว้ที่ใจเราลองดูว่าความคิดของเราเราก็ไม่ไม่เคยคิดนอกไปจากอารมณ์5อย่างคือสิ่งที่เห็นในตาได้ยินในหูสูดลมในจมกูกริมในลินล้ น, น, น, นถูกต้องดนกายความความคิดมันคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงผัวต่อพระเพราะฉะนั้นธรรมอารมณ์แท้จริงมันก็เก็บไว้คือของมันมันมันอยู่ในสต๊อกท่านั้นเอง เวลาพูดท่านจริงไม่ค่อยพูดจะพูดเพียงห้าอย่างคือบวงมานีจะพูดเพียงห้าอย่างหรการมคุณจะพูดเพียงห้าอย่างบางทีก็เพิ่มข้าวบางทีไม่เพิ่มนะฮะแต่ส่วนมากแล้วจะไม่เพิ่มข้ากเพราะมาอันเดียวกันไปนรูปเสียงกลิ่นรสโหตระพะแล้วก็ทำอารมนี่ก็ถ้ามีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแม้อย่างเดียวพระพุทธเจ้ายังเคยเล่าประวัติอดีตของพระองค์พระองค์ติดอยู่นิดเดียวเอง บวชเป็นฤาษีแล้วนะฮะบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรได้สมาธิแต่ยังไม่ได้บรรลุฌานะพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวคือมันฤาษีมันงกินผลไมนะ้มันก็ขาดพวกเปลือพวกแป้งพวกอะไรก็เป็นนึกถึงไอ้ไอ้ไอ้ไอมเมล็ดข้าวฟ่างพันข้าวฟ่างกับลูกเดือยเอที่ท่านเก็บเอาไว้แล้วสึกออกมาทามาปลูกข้าวฟ่างลูกเดือย เสร็จแล้วเก็บเกี่ยวก็เอาไปหุงต้มกินในป่าแล้วเก็บพันเอาไว้พอถึงฤดูก็เอาไปสึกอีกนึกถึงไอ้ น, นี่นิดเดียวจอบเฮี้ยนอันหนึ่งเข้าเข้าฟางถุงหนึ่งลูกเดือยถุงหนึ่งสมอันแต่นั้นเองทํำให้ท่านหมุนบวชหมุนสึกกี่ตั้งเจ็ดครั้งนี่คือคือมันเกี่ยวเกาะอยู่นิดเดียวแต่นั้นเองอันนี้ก็มีไ อ, เอ้เรื่องอะไรเนี้ยเรื่องเรื่องผูกพันใจอะไรเนี่ยมีพระผู้ใหญ่ เราท่านหนึ่งบอกชื่อท่านก็ได้เพราะเป็นการสะดุดีท่านท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจานัจา น, รนทร์จันทริิจันโทวัดบ ร, รมนิวาสซึ่งเป็นพระเถระที่เยี่ยมมากองเนี้ยขึ้นเทศบุธรรมารถขาหากักท่านยังเทศได้ตลอดเสร็จแล้วลงไม่ได้คนต้องขึ้นไปหามาในคราวหนึ่งนั้นท่านไปเทศที่เมืองลาวนะฮะแล้วกเกิดไปต้องตาต้องใจตอนหนุ่มๆนะเจ้าหญิงลาว เจ้หญิงลาวก็พอใจท่านมากแล้วท่านก็พ่ทันพอสมควรนะก็หนีข้ามฝั่งโคงมาเปิดแนบมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยข้าไปในถ้ำในภูเขาแต่วันมันมันภาพมันติดอะเจ้าหญิงลาวปรหลาบตามก็เห็นเรียบร้อยอนิมิดก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันท่านเองก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันแล้วในที่สุดท่านก็ข้าไปนั่งกรรมาฐานอยู่ในถ้ำฝนมันตก ตกแรงมากเลยแล้วประเดียวก็สิงมีเสียงโครมโครมโครมอยู่ข้างนอกท่านก็ออกมาดูเห็นปลาตัวบองลม้มมันติดแง่หินนิดเดียวเองไปไม่ได้ติดติดจุแง่หินไปไม่ได้ท่านก็มองดูปลาดูท่านท่านเองก็ติดจุดนิดเดียวปลานี้ก็ติดนิดเดียวตัวตั้งเบื้องล้มมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ทั้งคู่เลยก็เอาปลามาสอนตัวเองนั่งเจริญกรรมฐ า, านตรงนั้นแหละแล้วก็ ยุติได้นะฮะยุติความคิดในเรื่องเรื่องฝังโคงได้นะฮะพอข้ามาฝั่งไทยแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้พวกกามาคุณเนี่ยมันไม่ต้องมากนะฮะไม่ต้องมากกันนิดเดียวอ <c oughs> บางทีเราเราอาจจะเลิกไอ้เล่นที่ดินเล่นบ้านเล่นอะไรแล้วมาเล่นเครื่องลายคลามนี่ฮะมันนั่งพลิกๆลายคลามคี่ขี้เกียจจะติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันไปไหนไม่ได้ เรื่องบางเรื่องจึงจึงเหนียวมากเลยแล้วก็มีอาการที่แรงพระอาจารย์เล่าเล่าเรื่องไว้เยอะเลยจะมีพระองค์หนึ่งนี่มันติดอยู่ที่อ้อยกอเดียติดอยู่ที่อ้อยกอเดียตันเองกอนจะตายนะกอนจะตายมันเสียดายไม่ได้กินอ้อยจะตายแต่ด้ปลูกอ้อยไว้ต้นโตจีบมันผูกพันอยู่อ้อยพอตายปับ๊บจุติปุ้บเลยเกิดเป็นนอนในะอ้อยแหละดูนี่หาเรื่องชัดๆเลย คือคือมันมั น, ม น, มนเรื่องกรารมาคุณจึงกลายเป็นเรื่องผูกพันไม่เราอย่าไปคิดว่าเรื่องไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่เรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองบางทีมันก็ไปแล้วทําให้จิตใจของเราก็ก็ไปไม่รอดอย่างที่เคยเล่าเรื่องปัญจิตาหัตถกาสนี่ฮะที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องกุลธานบัณฑิตที่ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นท่านก็ติดอยู่ที่ที่พัญญนยาของท่านคนเดียวนะฮะเวียนบวชเวียนศึกเจ็ดครั้งนี่ก็คือพวกของกรารมาคุณ ซึ่งก็ยากนะฮะก็เป็นเป็นเปลือกตมแต่ก็เป็นเครื่องผูกซึ่งมาติยิมก็ผูกหลอมหลอมนะผูกหลวมหลมแต่ก็ตัดได้ยากอย่างที่ท่านบอกสามบวงนะฮะมีบุตรบวงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรับผูกบาทาครองหวงไว้พัญญาเยี่งบวงปอริงรัดกายเฮยสามบวงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารเนะี่ยมาสามบวงนะคนเราเนี่ยสามีพัญญาทรับแล้วก็ลูก อันบ่วงนี่ก็ผูกไม่ได้แน่นอะไรนั่นก็ไปไม่รอดเดี๋ยวอย่าลืมวันนี้ก็เทศระดับสูงขึ้นไปนะฮะมันจะแบบชวนโยมาทิ้งลูกทิ้งตาไ้บวชชีไม่ใช่เงี้ยนะคือคือเทศระดับสูงขึ้นไปต้องการชี้ให้เห็นว่าพวกนี้มันเป็นเครื่องผูกแล้วก็ต่อไปก็คือกายนะติดอยู่ที่กายทานุทนอมตัวเองความสวยงามของกายประพุโปรงงมกายเอาใจสายกายนะติดอยู่ที่กายตัวเองนะ ซึ่งบางทีคนที่ระดับบารมีสูงเองนะฮะยังไปไม่ค่อยรอดเลยตัวอย่างภิกษุณีสาคัญอยู่สองท่านคือพระเขมานะฮะกับพระนันทาระดับระดับผู้ใหญ่น ะ, ะแต่ว่าระดับนี้มีเยอะระดับผู้ใหญ่พระรูปปะนันทาโดยเฉพาะน้องพระเกนิฏตะพะกินีของพุทธเจ้าเองคือมาลองคานวณอายุพระชนมายุของท่านพระท่านอ่อนกว่าพุทธเจ้าสองปีเท่านั้น พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระชนมายุสามสิบปีเสด็จกรุงราชสุขประมาณพระชนมายุประมาณ39ปีิบเก้าปสถิตที่กรุงกบินลพัฒนะฮะแล้วก็พระนางรูปปันฐาเสด็จออกผนวดเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าพระชนมายุก็ราวราวสี่เพราะฉะนั้นพระนางก็43สาก็ไม่ใช่สาวะ แต่ว่านางยังหลงรูปเหลือเกินไม่ยอมเลยไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมไปฟ้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับรู้เรื่องเนยพระพุทธเจ้าต้องใช้วิธีสารพัดที่จะดึงท่านมาให้ฟังเทศมาให้ดูความจริงให้ได้นี่คือเรื่องอะไรคือท่านติดในรูปของท่านติดในร่างกายของท่านทนุ่งท่านนอนพระครบพระงม ม, มองเห็นเป็นความสวยงามอยู่อย่างเดียวแล้วก็รับรายงานด้านเดียวคือดูความจริงด้านเดียวเป็นเรื่องติดที่ไม่ใช่ธรรมดา ก, กประการ ได้ประกันต่อไปก็คือรูปนะฮะรูปนี้หมายถึ ง, ถ ง, ถงท่านอย่าลืนะฮะท่านใช้คำว่ากามกายแล้วก็รูปเพราะงั้นถ้าถ้าถ้าออกมาอย่างนี้เมื่ต้องขีดวงให้อยู่กันแล้วในด้านกามนั้นโดยสรุปรวมก็คือกามคุณทั้งห้านะฮะแต่พอพอแยกแยกรูปเอาไว้เพราะงั้นรูปเลยมาอยู่ข้อที่สามไปเลยตรงนี้ก็เลยมีสีก็ได้ผู้สีก็ได้เพราะว่ารูปมันมาอยู่ข้อข้อที่สามไปแล้ว ในกามคือวัตถุกามนะฮะแล้วก็ในกายกายเราในรูปหมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาหมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตานี่ น, น, นีภาษาธรรมดาแล้วนะฮะไม่ใช่ภาษาอพิธรมถ้าภาษาอภิธรรมแล้วคำว่ารูปมันก็หมดหมดทั้งวัตถุกามก็หมายถึงรูปต่างๆใอความสยบความติดความพอใจในรูปธรรมนอกจากกายเรานะฮะเพราะว่ากายมีแล้ว นอกจากกายเราอาจจะไปติดอยู่อะไรก็ได้อย่างพระที่ว่าในติดที่อ้อยแล้วอีกองค์ติดที่จีวรนนะ่ะติดที่จีวรหอมจีว์ไอ้พี่สาวเป็นเจ้าภาพในการทำจีวรพระสมัยก่อนเะย็บจีวรลาบากมากนะจะได้จีวรมาสักพื้นเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเานนะย็บยอมเสร็จท่านเกิดตายตายขึ้นมาก็เสียดายไม่ได้หมจีวร น, นะ ตาก็เพ่งอยู่จีบรลนพอตายปั๊บก็เกิดเป็นเลนเลยเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีบร อ, อันนี้ก็คือจิตในรูปในความประณีตความสวยงามของรูปนั้นๆไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามฮะรูปไอ้พวกพวกรูปทั้งหลายนั้นเราจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นเครื่องแน่เสมอไปว่าจะมีอิทธิพลครอบงาใจคนได้มันก็อยู่ที่พื้นอัธยาศัยว่าเรามีความโน้มเอียงไปในทางไหนมาก บางคนต้องการเล่นจ้ำพวกที่ดินเล่นป่าไม้เล่นอะไรอะไรก็มาเรื่อยมาไปเล่นรถเล่นเรือนเล่นมาเรื่อยนะแล้วมาจน ถ, ถึงลายครามพวกไอ้เครื่องเล็กๆ็ ก, กน้อยน้อยนะฮะพวกภาพวิจิตสินมันก็รูปทั้งหมดะกระบวนการกมันก็รูปทั้งหมดหลยบางทีคล้ายๆกับโอ้ยเราไม่เอาละของอย่างงั้นนะสงบกิเลสแล้วไม่สงบกิเลสนะมานั่งพริกลายครามมากิเลสเรียบร้อยเหมือนกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกิเลสเหมือนเดิมเลยแต่มันมันมีความละเอียดขึ้นนะั้นเอง คือรูปที่เรากําหนดว่าหน้าครายหน้าปราถน า, ห น, าหน้าพอใจเป็นรูปที่ละเอียดขึ้นแล้วก็โยงกันไปเรื่อยๆจนถึงอะไรจริงๆก็ถึงรูปประชานะฮะพวกรูปเดินไปจนถึงรูปประชานะเพราะอะไรเพราะรูปประชานเองมันก็ติดโลกติดภพเหมือนกันดังนั้นจึงกลายเป็นเครื่องผูกเหมือนกันสำหรับบันไดชั้นหนึ่งคืออย่างที่กล่าวมาแล้วว่าธรรมะของพุทธเจา้ามีลักษณะเหมือนแพ่เหมือนแพรหรื อ, อยานพาหนะที่จะนําเดินไป พอเราจะไปจุดหนึ่งไอ้สิ่งนี้มันจําเป็นแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งจะต้องใช้ภาณะอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องทิ้งภาณะอย่างนี้นี่ก็ทรงต่อกันไปเรื่อยๆเป็นลักษณะอย่างนั้นอาการต่อไปก็คืออะไรคือการประพฤติปฏิบัติความดีอันนี้นี่พูดชั้นสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะพูดชั้นสูงขึ้นมาแล้วมันก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆประพฤติปฏิบัติอ๋อข้อที่4นี้ไม่ใช่ข้อที่4คือคือเห็นแก่นอน เองก็ น, นอนกินแล้วนอนเหองก็ น, นอนกริ้งเกลื่อยอยู่หาความสุขความสบายด้วยการนอนอะไรก็นอนกันเรื่อยก็ก็หาโอกาสนอนนะได้กันแล้วกันซึ่งเป็นการพ ร, พราบผ่านเวลาของตัวเองคือทําลายเวลาที่มีคุณค่าของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสแสดงยอมรับถึงว่าการนอนนั้นเป็นความจําเป็นของชีวิตที่ขาดไม่ได้นะแต่หมอปัจจุบันก็บอกต้องนอนต้งแชั่วโมงไม่รู้นอนทําอะไรตั้ง8ดชั่วโมงนอนจังเลย แอลว่าในในแง่ของศาสนาเราแล้วก็เราก็ไม่ถือว่าต้องนอนมากขนาดนั้น อ, อาจจะสักสี่ชั่วโมงหนึ่งพอร่างกายได้รับพักผ่อนคือคือเป็นความต้องการทางกายนะฮะเมื่อร่างกายได้รับความพักผ่อนแล้วเราก็ต้องใช้เวลาให้หมดไปด้วยการงานที่เป็นสาระประโยชน์แต่ก็มีมีมีข้อเปรียบเทียบเฉพาะในที่อื่นนะในที่อื่น ทรงแสดงว่าถ้าจิตเราตรึกนึกด้วยอำนาจการมิตกพยาบาทวิตกเป็นต้นอยู่นี่นอนหลับจะดีกว่าการนอนหลับนั้นมันเป็นการทําชีวิตให้ว่างเปล่าภไยคือถ้าเกินส่วนนะฮะมันก็เป็นเป็นโมฆะไปส่วนนะั้นมันก็ศูนย์ไปแต่ถ้าใจมันเกิดตึกนึกถึงการมิตกพยาบาทมิตกแล้วนอนหลับจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะไอ้ น, นอนนั้นมันเสียแต่เวลาไอ้ น, นี้มันเสียคุณภาพจิตเมื่อเอามาเทียบกันแล้วให้ยอมเสียเวลาดีกว่าย้ายเสียคุณภาพจิต นนในกรณีของการนํามาเปรียบเทียบกันแต่ว่าในกรณีนี้ก็ทรงสอนว่าเวลาคือแสวงหาความสุขด้วยการ น, นอนการเองข้างการเครื่มหลับอะไรท่ใดเนี่ยทาให้เวลาของชีวิตที่ควรจะได้ควรจะถึงก็สูญเสียไปประการที่3มตอนนี้ไตบันไดขึ้นไปสูงหน่อยแต่ก็หมายความว่ามันเป็นเครื่องผูกอีกระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะ แต่ก็ต้องอาศัยไปในระดับหนึ่งก็คล้ายๆกับชั้นเรียนต่างๆคือเมื่อเราอยู่ในชั้นนั้นก็ต้องต้องเรียนต้องศึกษาแต่พอสอบได้มันก็ต้องทิ้งชั้นนั้นไปคือการประพฤติปฏิบัติความดีที่มุ่งสวรรค์ตอนนี้สอนพระแล้วนะฮะสอนพระแล้วประพฤติปฏิบัติความดีที่มุ่งสวรรค์มุ่งจะได้เป็นเทพประบุเป็นเทพธิดาอยู่บนสวงสวรรค์อะไรต่ออะเนี่ย ซึ่งเป็นกุศลและขันฝ่ายโลกีธรรมเพราะพระุทธเจ้ามุ่งแสดงต่อไปแตย่ยกขึ้นไปอีกทั้งห้าขั้นห้าขั้นหลังมันก็ขึ้นไปโน่นละคือถ้ายัางติดสวรรค์อยู่สวรรค์นั้นจะเป็นภพภูมิที่ประณีดกว่ามนุษย์จริงใช่ไหมแต่ถ้าเทียบกับพรหมพรหมมันก็ประณีดกว่าอะพรหมมันก็เทียบกันอีกเป็นชั้นๆไปจนถึงนิพพานนิพพานมันก็ดีกว่าพรหมมันก็เดินกันไปเรื่อยเรเพราะฉะนั้นเมื่อถึงชั้นหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่จะต้องละวางถ้ายัางติดอยู่ มันก็เป็นเครื่องผูกนะเป็นเครื่องผูกคือไปไหนไม่ได้ไอ้เครื่องเครื่องผูกนี่ดีกว่าตะปูหน่อยนะฮะเพราะยังไงยังไงมันมีเชือกยาวมันพอหมุนหมุนไม่ได้พักหนึ่งหมุนมุนไม่ได like ้พ er <time> ักหนึ่งแต่ตะปูที่มันติดอยู่กับที่เลยตะปูที่ติดแต่ว่าเครื่องผูกนี่มันหมุนได้เพราะงั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้เราจะติดอยู่ในกรรมคุณติดอยู่ในกายบ้างติดในกรรมคุณบ้างติดในกายบ้างนะฮะติดอยู่ในรูปบ้างหรือว่าเห็นแกนอนบ้างหรือประหลาดศาสนาสวรรค์บ้างแต่โอกาสทําความดีเรายังมีได้แจ๊ ซึงเมื่อผีกระตปูไม่สงสยัยในพระพุทธเจ้าหยุดกันที่เลยไม่เดินเลยมันตอกตึงไว้แต่เชือกนี่มันหมุนได้มันหมุนได้ทําให้มีความคล่องตัวสูงขึ้นแล้วเพราะงั้นโอกาสที่เราจะกระทาความดีเราทําได้อีกมากมายเนี่ย ท, ท, ท้งๆที่ในขณะนั้นเรายังก็ติดอยู่ในกามาคุณนี่เองยังติดอยู่ในกายยังติดอยู่ในรูปยังเหงยั ง, ย, งยังนอนอยู่นะฮะยังเหงีแกนอนอยู่หรือแม้แต่ยังปรารถนาสวรรค์อยู่ แต่ว่าเป็นกองของความดีเขาเรียกว่ากองของทานกองของศีนี่เป็นพ้นทานพ้ศีมันก็ส่งไปถึงไดยังมีมีโอกาสประพฤติปฏิบัติความดีแต่ถ้าไม่แน่ใจตรงโน้นไอ้ห้าข้อหลังแล้วก็จบเลยหข้อแรกก็จบเลยไม่เดินเลยนะเดินไม่ได้เลยไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมันก็ล็อกหัวไปแล้วมันไม่ไม่ต้องพูดพระธรรมพระสงฆ์แลมันก็เดินไม่ได้ตลอดเพราะว่าจุดสําคัญอยู่ที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองดังนั้นเรื่องแรกจึงถือเป็นเรื่องใหญ่กว่า เรื่องที่สองนี่มีความคล่องตัวสูงขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ยังอยู่ในโลกิยธรรมซึ่งตกอยู่ในใจรักษณเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็แสดงอีกจุดหนึ่งขึ้นไปให้ประกอบด้วยธรรมสประการนะฮะให้ประกอบด้วยธรรมสประการคือคือคือคือค อ, ค อ, อยากจะพูดตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งว่าข้อที่ห้าที่ว่าการประพฤติปฏิบัติความดีมุ่งเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเนี่ยสมมาพระไม่ได้นะฮะสมาพระไปตั้งความปรารถนาเป็นเทพ เทพบุตรเป็นเทพธิดาไม่ได้ศีลเามองแต่สมัตชาวบ้านไม่ว่าอะไรนะชาวบ้านนั้นเป็นเป็นการสร้างสุขติแต่พระไปปรารถนาเป็นเทวดาไม่ได้ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเพื่อผลประโยชน์อะเพื่อในสิ่งตอบสนองที่เป็นรูปวัตถุคือต้องมุ่งขาดเกล้ามุ่งประพฤติปฏิบัติที่ให้มีความประณีตขึ้นไปกว่านั้นแน่นอนแต่เป็นชั้นของศีลที่ประณีตไม่ได้ศีลในปาฏิโมกข์หรอกเป็นประณีตศีลขึ้นไป คือไม่จะถึงก็ปรับอบัตอะไรแต่ว่าในายใจเองก็เร้าหมองนะฮะอีกต่อไปทรงใช้คำที่จริงก็เอาเรื่องของอิธิบาต ท, ทั้งสี่นะอิธิบาต ท, ทั้งสี่นั้นที่เราเอามาพูดเนี่ยเราเอามาพูดเราตัดมาพูดเพราะว่าในเชิงการปฏิบัติแล้วเนี่ยอิธิบาตเป็นอยู่ในกลุ่มของโพธิปัจจยธรรมนะฮะ พอจะปฏิยธรรมคือธรรมะที่จะทําให้คนมุ่งตรงไปพระนิพพานเลและอิทิบาทภาวนาพอเป็นพระอาหารหันแล้วอย่างพระพุทธเจ้าที่รับสั่งก่อนอหลังจากประปรมประชนอายุสังขาร น, นะฮะที่พระรานนขออาราธนาให้ไม่ใช่เป็นแค่ก่อนปรงประชาชนอายุสังขารก็รับสั่งแสดงเรื่องผลของอิทธิบาทว่าถ้าคนจเจริญอิทิบาทอยู่เสมอนี่สามารถชะลอชีวิตไปได้และอยู่ตลอดได้เป็นกับกับอายุนะฮะ คืออายุไ ข, ขาอายุเฉลี่ยของคนในยุคในสมัยนั้นๆได้ดังนั้นท่านจึงใช้คำเต็มที่ว่าสมมติาฉันทะที่เราเราแปลกันโดยทั่วๆไปก็รู้กันตั้งแต่ชั้นป .2 อ, อ, อะฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นนี่คือแปลแบบไทยไทยแบบชาวบ้านเลยคือคือให้ให้ปฏิบัติได้อย่าให้เห็นันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปแต่ถ้าท่านแปลเต็มที่นั้นท่านใช้คำมาลีไม่ใช้คำแต่งั้น กันใช้ัจฉันทะปะธาณสมาธิสังขารนะใครงั้นนะคือหมายความว่าไอการสร้างให้เกิดความมั่นคงด้วยความเพียรที่จะปลูกฉันทะให้บังเกิดขึ้นเพราะฉนั้นเวลาเต็มรูปจริงๆนะฮะในเชิงของการประพฤติปฏิบัติท่านก็บอกว่าปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายา ม, ยามปรารบความเพียรมีการกระทําที่สืบเนื่องไปในแต่ละจุดทรงสแสดงเต็มรูปถึงก็หมายถึงว่า บุคคลที่ต้องการจะขจัดคือถอนตะปูกับตัดเครื่องผูกทั้งทั้งทั้งเออถอนตะปูห้าห้าตัวนะฮะกับเครื่องผูกหาสายนั้นออกไปก็ต้องอาศัยฉันทะคือความพอใจในกุศลธรรมความพอใจในกุศลธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดขึ้น ด้วยความเพียรพยายามมาอย่างมั่นคงแล้วก็มีการสืบต่อไปเรื่องความพอใจจึงจําเป็นดีจะต้องปลูกฝังให้มากท่านทั้งหลายจะพบว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีความพอใจอ่อนไปช่างครับได้ไม่ได้ช่งางนะไออย่างนี้ไม่เท่าไหร่ะมันเหมือนกับนักเรียนที่ขอให้ผ่านก็นแล้วกันนะกับนักเรียนที่ต้องการเอาอันดับหนให้ได้นี่ไอตัวจันทละมันผิดกันเจ้า ฉันท่าผิดกันเยอะพอฉันท่าผิดกันตัววิริยะซึ่งใช้คําเหมือนกันนะฮะวิริยะที่แปลว่าความกล้าหาญวิริยะคือวีระนะฮะภาษาไทยมันทำไอ้ไอ้ไ อ, อ้อะไรตัวสรอีหายไปมันกลายเป็นสราี่จริงคําเดิมจริงๆที่บาลีจริงก็วีระนะวิริยะไม่ใช่วิริยะ เ, ะเรามาวิริยะเลยแต่ว่าเวลาเราเขียนเป็นไทยเรายัางเขียนความเพียนอยู่นะฮะ ก็ยังใช้สะระีอยู่วิริยะนั้นก็คือความกล้าหารในการที่จะสร้างเสริมสร้างความเพียรในสิ่งที่ตนพอใจโดยมีการกระทำอย่างสืบเนื่องแล้วก็ติดต่อกันไปือในในกุศลนธรรมเนี่ยแล้วประการต่อไปก็คือจิตตะคือความใส่ใจสนใจนะ อยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ทอดทิ้งไม่วางธุระมันมันมั น, ม, นมีลักษณะของการกระทําที่สืบเนื่องเดียวใกล้ๆก็เอาใจใส่นะเราพูดเป็นไทยเราก็คือเอาใจใส่นั่นเองเอาใจใส่สนใจอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแต่ส่วนมากแล้วการกระทําอะไรก็ตามจะไม่มีลักษณะที่สืบต่ออย่างในบ้านในเมืองเราที่เราเห็นได้ชัดๆนะฮะคือปัญหาที่มันเกิดหมักหมมเพราะอะไรเพราะไม่มีการกระทําที่สืบต่อ เขมงวดกันเป็นพักๆน้ําแรกเมืองเมืองแรกตั้งกฎจราจรห้ามไม่ข้ามทางม้าลายไม่ได้ปรับยี่สิบบาททาได้สิบห้าวันระวันที่ที่หกก็ย้อนน่ะวันที่สามสิบก็พอดีเรียบร้อยเข้าล็อกเดิมมันก็เนี่ยคือไม่มีการกระทําโดยจิตต่อและในที่สุดมันก็สร้างไอ้ปัญหาต่างๆหมักหมงขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเดินกันได้ตลอดสายตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ตั้งแต่เริ่มต้นมาป่านนี้มันไปริบโลกแล้วทุกๆด้านนี่เพราะอะไรเพราะว่าตัวจิตต์ คือความเอาใจใส่นั้นมันไม่ค่อยจะมีมากพอเพราะอะไรเพราะสันทละเองก็อ่อนแล้วความเพียรก็อ่อนอ่อนกันเอาใจใส่จริงๆก็อ่อนตามไปด้วยอ่อนไปหมดเลยทั้งแถวเลยแล้วก็วิมังษาคือการวิเคราะห์การสรวจสอบการพิจารณาหาเหตุหาผลแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปงแลงอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องใช้อยู่ตลอดนะ ท่านตั้งหลายจะเห็นว่าเวลาเราตัต้งตะกี้ที่ว่ากรรมฐานนะอาราธนากรรมฐานที่ว่าปัจจเวคณะจงมาชำนาด้วยการภาวนาเนี่ยปัจเจเวคณะนั้นก็คือคือวิสังขารนั่นเองคือวิบังศาหรือโยนิโสมนสิการปัจเจเวคณะคือมันพิจารณาอยู่ด้วยพิจารณาอยู่เรื่อยแม้แต่การปฏิบัติสมมติว่าการปฏิบัติสมาธ e <hold>, ิมันก็ต้องมีวิบังศาก็ดูสงบจริงหรือว่าหลับ ก็ดูแยกให้ออกระหว่างกิงอนสงบสมาธิกับหลับเนี่ยมันคล้ายๆกันนะแต่เราไม่ใช้วิมังสาไม่พิจารณาก็หลับฝันก็นึกว่าโอ๊ยนั่งสมาธิเห็นนิมิตไปหายไปเลยมันก็เพราะอะไรเพราะเราไม่มีวิมังสาแล้วก็แยกไม่ออกฮะพวกธรรมะเหล่านี้จึงหนุนกันอยู่ตลอดเลยหนุนในรูปในรูปขุวงกลมนะ ห น, น, นุนกันในรูปของวงกลมวิมังสาเองก็ต้องมาช่วยที่ฉันทะเพราะนิ่งๆไปปลูกฝังความพอใจเฉยๆไม่ได้มันก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าอะไรเป็นอะไรพอเขาบอกอะไรก็รับเลยอย่างนี้ไม่ได้ปลูกฝังความพอใจเลยไม่ได้ไอตัววิมังสาก็เข้าไปควบเจาะมันจึงจึงกลายเป็นรูปหมุนที่ช่วยกันแล้วก็เปลี่ยนกันบางทีก็ไม่รู้ใครหัวใครใครท้ายก็คล้ายๆกับอาริยามากมัองแปดนะครับท่านจะเห็นว่าเวลาจริงๆมันก็หมุนหมดเลยมันเริ่มจะสามาทิต e ทิแต่ก็หมุนกลับไปที่ ที่สมมาสมาธิในทุกจุดมันก็ต้องมีสมมาทิฏฐิอยู่ตลอดหมุนกันไปช่วยกันไปธรรมะพวกนี้จึงเป็นเรื่องธรรมะที่เป็นกลุ่มต้องหนุนนะฮะไม่ใช่ว่าจะเริ่มเพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้วได้มันผิดกับเมธผิดกับพวกพรมิหารพรมิหารนั้นเอาข้อใดข้อหนึ่งเป็นกรณีไปเลย กรณีของคนทั่วไปเราก็ใช้ไม่ตากรณีของคนเดือดร้อนก็ใช้การณากรณีของคนได้ดีก็ใช้มุติตากรณีของคนประสบความบาดก็ใช้เบขาอันนี้ที่ใช้ทีละข้อแกมากลุมเดียวกันจริงแต่ว่าใช้ทีละข้อเท่านั้นส่วนพวกนี้ไม่ฮะต้องหมุนกันตลอดเลยหมุนกันไปเลยแล้วก็ช่วยต้องหนุนกันตลอดเป็นอาการที่สืบเนื่องถึงแม้จะแยกธรรมะออกเป็นสี่ก็ตามแต่แท้ที่จริงแล้วเวลาทําจะทําเป็นหนึ่งเท่านั้น การอะไรก็ตามนะฮะเราจะเห็นว่าบางทีวันก่อนนี่ไปประชุมในะที่แห่งหนึ่งไม่ต้องเล่านะฮะเดีย๋ยก็มีเพื่อนขู่อยู่ที่นี่ไปก็จะไปบอกคือมีครูคนหนึ่งพูดขึ้นมาเนี่ยอาตมาโอ้โหตายเลยประชุมกันอยู่ดีๆเนี่ยแกคือเรามีการเสนอว่าให้สอนสมาธิในโรงเรียนกันจริงๆคนอื่นเสนอนะอามาเป็นที่ปรึกษาเฉยๆเมื่อเมื่อเขาไม่ถามก็ไม่พูดอะไปประชุมเพราะเราอยู่ในฐานะที่ปรึกษาก็นั่งอเฉยๆ เขาปรึกษาเราก็ตอบไม่ปรึกษาก็แล้วไปครูคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาว่าเรื่องการจะหาพระมาสอนสมาธิต น, นหาได้ยากเหลือเกินถ้าแกพูดขนาดนั้นนี่เห็นด้วยนะแล้วแกเพิ่มกันอีกประโยคไม่ว่าที่ไหนก็ตามหาไม่ได้นี่ปฏิเสธหมดทั้งโลกนะฮะทั้งโลกเลยไม่มีพระสอนสมาธิได้แม้แต่องเดียนะฮะ ท่านทั้งหลายลองฟังดูประโยค์ที่ใช้ไฟนี่อันตรายมากไม่ว่าที่ไหนก็ตามหมายความว่าทั้งโลกนี้โลกอื่นโลกไหนก็ได้หาคนสอนสมาธิไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวในโลกเนี้ยอามาก็มีอาจารย์ท่านแดงท่านท่านทนไม่ไหวฮะท่านก็พูดท่วงขึ้นมาแล้วก็บอกเรื่องการสอนสมาธิอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยแล้วพอดีท่านเกิดยกสมาขึ้นม า, นมาด้วยเลยมาก็เขินเลยก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่ที่นี้ ท่านทั้งหลายเห็นว่าประโยคนี่มันเกิดขึ้นมาได้ไงประโยคนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีอกุศลติดต่อกันมาเยอะขึ้นหนึ่งเรื่องนั้นโกหกทันทีเลยประโยคนนี่เป็นประโยคที่โกหกสองมีอคติสามไม่มีความรับผิดชอบแล้วสขาดเมตตาด้วยการใช้ประโยคนสองประโยคเท่า น, นั้นเองแต่ว่าอากุศลมันเกิดขึ้นเดียวๆสี่อย่างแล้วก็สร้างอากุศลขึ้นมาได้สองประโยคเพราะฉะนั้นในเรื่องการทํางานก็เหมือนกันน่ยมันมีฐานอยู่ถึง4ฐาน ทำอยู่ในเรื่องเดียวกันนะฮะฐานเหล่านี้ก็จะหนุนกันอยู่เรื่อยตลอดระยะพิรันแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใหญ่นะฮะคือถอนตะปูกระตัดเครื่องผูกเรื่องใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าชาวพุทธเรานี่ก็ไม่แน่เสมอไปนะพุทธังสานางกระฉามิเอามาเนะี่ยใครให้เงิน10บล้านนะท่านังสานางกระฉามิไปหายเลยท่านังสานางกระฉามิไปเรียบร้อยเลยบอกให้จำเป็นเป็นเครื่องมือนะี่ย จัดการทำลายพระพุทธศาสนาให้เดี๋ยวนี้มหาป ร, เริเวณของเราบางทีเป็นป ร, เริเวณก้าประโยชน์นะสึกออกไปเป็นเครื่องมือคริตยอยู่ตั้งเยอะเพราะอะไรไอ้เกิดท่านางส่นางกรฉามิขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านิพพานไปแล้วตอนนี้เราเงินไว้ก่อนนะก็เปลี่ยนพุทธังเป็นทนางเรียบร้อยเลยมันก็ไม่นนะ่เพราะอะไรเพราะเราไม่มั่นในครัคุณของพระพุทธเจ้าเลยแต่ถ้าเรามั่นจริงๆนี่ก็ก็เท่านั้นนะฮะก็เอาเงินมาให้เรา เราจะเอาไปทำอะไรเงิ้ยนะก็จะฆ่าเราฆ่าไม่ฆ่าเราก็ตายแต่ให้เราปฏิเสธพระพุทธเจ้าเราเราไม่ปฏิเสธอย่างที่เคยเล่าเรื่องสุภัทกุตินะฮะสุปพุท ธ, ธกุติคือพ้นเป็นโรคเรื้อนขอทานยากจนขนาดนั้นท่านได้ศรัทธามั่นคงในพระรัตนใจเข้ามาจ้างด้วยสมบัติด้วยบริวารด้วยที่อยู่อาศัยทุกอย่างให้ท่านปฏิเสธพระพุทธเจ้าท่านไม่ปฏิเสธ นีคนระดับที่ที่เรียกว่าตัดสงสัยจริงๆคนเราเนี่ยยังเวี่ยงไปเวี่ยงมาอย่ฮะเวี่ยงไปเบี่ยงมาบางทีมันก็ว่าว่าน้ำโดนขึ้นลูกเดียวก็แทะโครมเดียวหายกลับลงมาข้างล่างต่อไปก็ว่ายกันใหม่ถ้าขี้เกียจก็เลยก็ไม่ต้องว้ายซะเลยก็แล้วแต่เพราะงั้นในการถอนตาปูเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะลองดูที่เราที่แกว่งสับสนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตาปูไอ้สตัวเนี่ย ต, ตัวห้าเนี่ก็ มากบ้างน้อยบ้างนะฮะก็แล้วแต่แต่ว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคจริงๆก็คือตัวเดียวตัวความเชื่อในพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยในเรื่องนี้อีกอีกอีก่ตัวนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถอนได้เอ่อถอนง่ายขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้อีกคำหนึ่งที่แปลว่าความขมักขมัน ความขมักขมันคือเอาจริงเอาจังทําจริงทําจังกันเลยเพิ่มก็จะอิทธิบาทอีสีข้อนั้นเป็นอิทธิบาทแต่ว่าจะต้องเป็นการกระทําในลักษณะขมักขม้นหมายความว่าไอปริมาณของชันทาก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆปริมาณของวิริยะก็ต้องสูงขึ้นจิตตะก็สูงขึ้นวิบังสาก็ต้องสูงขึ้นแล้วก็ทําอย่างขมักขม้นเอาจริงเอาจั ง, จงไม่มีการผลัดปนันประการพรุ่งเพราะอะไรเพราะว่า ในเส้นทางของความเพียรพยายามเพื่อการกระทำความดีของคนเรานั้นท่านทั้งหลายจะพบถึงความจริงประการหนึ่งว่ามันจะมีสิ่งแทรกซ้อนขึ้นมาที่ทรงใช้คาว่าชับป่าคือผู้กระซิบเป็นมานทางใจประการหนึ่งนะฮะที่คอยกระซิปแล้วมันกระซิบในกรณีที่เราทำดีแต่นั้นแต่เรากระทำไม่ดีมันไม่กระซิบหรอกเช่นสมมติว่าแกบังคับใหเรานอนได้ ไม่ยอมตื่นสายแล้วยังไม่ยอมตื่นเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรนอนต่อวันนี้ยังไม่มีอะไรวันนี้วันเสาร์นี่วันอาทิตย์นอนต่อได้ไม่มีอะไรนะฮะแกไม่ให้ลุกขึ้นหรอกแกไม่ให้ลุกขึ้นหรอกเพราะว่าอยู่ในมือแกแล้วแกมีเหตุผลพร้อมแต่ถ้าเราจะกระทําความดีเนี่ยเฮ้ยต้งลุกขึ้นก่อนมันจะไม่เป็นไรหน้าไม่เป็นไรหน้าลุกขึ้นก่อนไม่เป็นไรหน้าก็สู้กันไปสู้กันมาถ้าขวายเขาจะนะเราก็นอนต่อ ฝ่ชนะเราก็นอนต่อฝ่ายเราชนะเราก็ลุกขึ้นได้เพราะงั้นจึงต้องทําโดยขมักขャเป็นโดยรีบโดยด่วนโดยเร่งรัดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมดท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องขนาดทั้งหมดเลยเอาก็จริงเนี่ยมันขณะทั้งหมดหลยเมื่อเราขับรถมันจะผิดจะถูกที่จริงมันขนาเลี้ยวแต่นั้นเองมันวบวิบเดียวแต่นั้นเองแล้วบรรลุมรคลเองมันก็ชั่วขนาดเดียวแต่นั่นเองหรือเป็นอาจาก ร, กรว่าขณะเดียวแต่นั้นเองเพราะงั้นพอเข้าทางของความดีแล้วจึงให้ทําด้วยขมักขャเปน แค่กรรมข้ามแม่นั้นก็นเน้นไปให้เห็นถึงว่าพยายามรักษาค่าของการเวลานั้นประการหนึง่งคือท่งสอนว่าผู้เธอทั้งหลายอย่าปล่อยให้การเวลาผ่านพ้นไปพวกคนที่ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังนั้นประการหนึง่งอีกประการหนึ่งคือเราไม่รู้นะเราไม่รู้ถึงความแตกดับของชีวิตเนี่ยว่าจะเกิดขึ้นเมาาื่อไหร่ เราอาจจะล้มตายเรามาเมาื่อไรก็ได้เพราะงั้นเมื่อจิตที่ประกอบด้วยกุศลเดินทางมาได้ทั้งสี่เรื่องนะ่ะมันข้าวทางของอิทธิบาคือทางแห่งความสาเร็จแล้วจึงต้องมีความขมักขม้นเอาจริงเอาจังทาจริงทาจังในเรืร่องเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าเมื่อทำไปแล้วมันก็ค่อยๆถอนค่อยๆถอนตะปูเรื่องของพระพุทธศาสนานั้น ไม่ว่าในชั้นไหนก็ตามนะชั้นปริญัติหรชั้นปฏิบัติก็ตามที่จริงมีสองชั้นนะเ อ, อ๋ปฏิเวทมันเป็นผลแล้วผ ล, ผลจากการปฏิบัติพอปฏิบัติสมบูรณ์ก็เป็นปฏิเวทแล้วปฏิเวทจึงไม่ใช่มีปัญหาอะไรส่วนชั้นของปริยัติเนี่ยถ้าเราศึกษาที่ผ่านกระบวนการของเขาสมบูรณ์นะฮะหมายความว่าเราฟังเราจําได้เราท่องได้เราคิด ตรงนี้ฮะเราจะเห็นว่ากระบวนการศึกษาพระพุทธศ า, าสนาในเมืองไทยเราเดินมาแค่สามขั้นส่วนมากนะครับแม้แต่กระบวนการศึกษาพระเราเนี่ยจากนักธรรมมาถึงปท9้าไม่มีการวิเคราะห์วิจัยบาลีท่านแปล ไ, ได้เรียบร้อยเลยถามหมายความว่าไงตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้เพราะไม่ได้คิดถึงความหมายแต่คิดในรูปประโยคทางบาลีแต่นั้นเองบางทีตอบไม่ออกตอบไม่ได้ความหมายธรรมะเขานี้มมหมายความว่าอย่างไงตอบไม่ได้แต่แปลได้เพราะอะไรเพราะเราศึกการ กระบวนการศึกษาเราไม่เดินครบตามกระบวนของเขาที่จริงมันพอถึงตรงเนี้เขาเรียกว่าชั้นที่สเรียกมณฑสานุเบกิตาคือเพ่งพินิษฐ์พิจารณาด้วยใจนำธรรมะขึ้นมาวิเคราะห์นำมาตรวจสอบทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีจนเป็นทิฏฐิยาสุปฏิวิทาครบเจาะแทงตลอดด้วยทิฏฐิความคิดความเห็นของตนถ้าชั้นของปริยัติที่มันเดินเต็มตามกระบวนการเข้ามาห้ากระบวนการห้าลําดับเราจะมองเห็นว่า ธารมาที่ส่งแสดงไว้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ลงกันสมกันหมดเลยแล้วเราเข้าใจในัยยะด้วยว่าตรงนี้ทำไมแสดงนัยยะอย่างนั้นตรงนี้ทำไมแสดงอย่างนั้นนี่ชั้นของปริยัตชั้นเดียวแต่ว่าต้องเดินให้เต็มตามกระบวนขาแต่ถ้าจำจำเอาก็จาจาก็แค่นั้นก็แค่จาจำแต่ถ้ารานำมาคิดนำมาพิจาราก็จะถอในให้พวกตะปูอย่างที่ว่าออกมา ไ, ได้ ถ้ายิ่งถึงชั้นของการปฏิบัติแล้วแน่นอนมันไม่มีปัญหาอะไรเราจะเห็นเองเลยรู้เองเห็นเองเป็นสันทิจโกคือผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองเป็นปัตจตังวิริทโโวปิจุชิคือวิญญูชนจะรู้เฉพาะตนเลยจะรู้ว่าสมาธิคืออย่างไรฉันทะคืออะไรความเพียรคืออะไรเอ่ความสงบเอก ก, ะกะตาปีติมีลักษณะอย่างไงนี้เป็นเรื่องที่เราจะสัมผัส ด, ด้วยตัวเอง ค, อคือเรียกว่าลิ้มชิมมาเองเลยแล้วก็พูดได พนี้ก็เรียกว่าถอนตะปูได้เรียบร้อยดังนั้นในจุดนี้จริงๆนะฮะจุดนี้จริงๆท่านจะเห็นว่าถอนได้จริงๆก็จะต้องเป็นบุคคลประเภทเรียกว่าทิฏฐิสัมพันธ์นะบุคคลคือมีความเห็นที่สมบูรณ์ได้แก่ป เ, เป็นพระยบุคคลเพราะงั้นเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งเรียกโสตาปฏิยังฆะคือองค์ของพระโสดาบันเนี่ยมันก็มีอะไรมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า จะท้าเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมจะท้าเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์จะท้าเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในไตรสิขาก็คืออะไรก็คือถอดตะปูได้แล้วมันก็กลับทิศอีกด้านหนึ่งอันนึ่งที่อีกด้านหนึ่งนี้จึงเป็นการแสดงเห็นว่าผลที่เกิดเป็นความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวได้ถึงสี่จุดอย่างเงี้ยก็เพราะอะไรก็เพราะอาศัยการปฏิบัติตามกระบวนการคือมีความพอใจมีความเพียรพยายามเอาใจใส่พี่มังสาแล้วก็ทําด้วยความขมักเขม้นทาบ่อยๆ ไม่ว่าจะขัน้นชั้นชั้ของการศึกษาชั้นของการพิจารณาชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็ตามมันจะมีลักษณะขัดเกลวความรู้สึกขึ้นไปโดยลํำดับความสงสยัยของกรจังลงจงังลงจังลงจนถึงจุดหนึ่งมันก็คลายตัวออกมาเป็นความเชื่อมั่นที่ไม่หวันหว่นไหวพลิกกลับอีกด้านหนึ่งก็เป็นโสตาปฏิยังขัดคือคุณสมบัติของพระโสดาบันอือฝากหนึ่งนะฝากหนึ่งเป็นตะปูจึงใจพลิกอีกด้านหนึ่งกลายเป็นโสดาปัติยังขัดนะแต่ก็ต้องอาศัยหลักการปฏิบัติ ข, ข้อ5ข้อสุดท้ายคือฉันทะ วิริยะจิตะวิบังษาพร้อมด้วยความขมักขมน้นแล้วก็สามารถที่จะถอนตะปูจึงใจออกไปได้แต่ถ้าหากว่ายังสามารถปฏิบัติได้ไอต้ตะปูจึงใจเหล่านั้นก็จะมีอยู่ก็กลายเป็นอุปสรรคในการกระรุ้์ปฏิบตัติสมวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูตในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน